จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ เดินได้มาวัดเพื่อมาทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนด้วยความศรัท ธ, ธาความเชื่อว่าไม่มีคำสอนไม่มีศาสนาใดที่จะเป็นคำสอนที่เป็นศาสนาที่จะเป็นที่ขึ้นของสอมโลกได้อย่างแท้จริง ก็มีเพียงพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่สอนให้ไปถึงการสิ้นสุดแห่งการเวียนไหว้ตายเกิดได้ถ้าตามใดยังมีการเวียนไหว้ตายเกิดอยู่ตามนั้นก็ยังต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพลดพลาดจากกัร ถ้าไม่กลับมาเกิดได้ <c oughs> ก็จะไม่ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายกับการพลาดพลาดจากกันไม่มีผู้ใดในโลกนี้ไม่มีศาสดาของศาสนาไหนในโลกนี้ที่จะรู้ทางที่นําไปสู่การยุติแห่งการเรียนไหวตายเกิดได้มีพระ บรมภาสาสดาพระอนหันต ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรากราบว่าบูชาเป็นองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถรู้จัากทางที่นำไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ได้หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำความรู้นี้มาเผยแผ่ ให้แกผ่ผู้ที่มีจิตศรัทธาพอผู้ที่มีจิตศรัทธาได้ยินได้ฟังแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติ <c oughs> ก็สามารถดำเนินไปถึงการสิ้นสุดของการเวงว่ายตายเกิดได้กลายเป็นพระอริยรสงสาวกเป็นพระอาหารหันตสาวก เป็นสังฆวัตนะที่ทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สสเสด็จดับขันธ์อริยพานไปแล้วก็จะมีพระธรรมคําสอนและมีพระอริยสงสารุที่จะทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าต่อไปเมต้ตราบใดที่ยังมีพระธรรมคาสอนอยู่ในโลกนี้ หลากใดที่ยังมีพระอริยสงสารุกอยู่ในโลกนี้ตาันั้นก็ยังมีที่พึ่งสำหรับสัตว์โลกได้ข้อสำคัญอยู่ที่สัตว์โลกต้องมีความศรัทธาความเชื่อในคำสอนแล้วน้อมนำเอาคำสอนไปปฏิบัติถ้าไม่เชื่อก็จะไม่ได้นำเอาไปปฏิบัติ เมื่อไม่ได้ ป, ปฏิบัติผลคือการสิ้นสุดของการเรียนว่าตายเกิดก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความศรัทธาความเชื่อว่า พระพุธเจ้าเป็นผู้ตัดสรู้เป็นผู้ได้ปฏิบัติตนจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วแล้วก็นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนเรียกว่าพระธรรมคาสอนที่สอนให้ทำดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่เป็นขั้นตอนของคําสอนขั้นแรกก็คือต้องทําบุญขั้นที่สองก็ให้ละบาขั้นที่สามก็ให้ชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าทําได้ครบทั้งสามขั้นผลก็คือใจที่สะอาดบริสุทธิ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเมื่อใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ ก็จะไม่มีเชื้อของพบชาติที่จะพาให้ไปเไวียนว่ายตายเกิดได้ต่อไปผู้ที่สามารถปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ก็มีเป็นจนํานวนมากเป็นพระรัตนใจองค์ที่สคือเป็นพระสังฆรัตนะเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัต รงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ <c oughs> เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้น <c oughs> แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้เป็นพระ อ, องค์แรกแลวนำความรู้อันวิเศษนี้มาเอยแผ่ให้กับสัตว์โลกทั้งหลาย ก็จะไม่มีสัตว์โลกใดสามารถที่จะทําตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะไม่มีความสามารถพอต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาสอนก่อนพอมีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วก็สามารถปฏิบัติตามได้อย่างง่ายดาย และร ว, วดเร็วสามารถบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ภายในทบนี้ช่าตินี้เลยไม่ต้องเสียเวลาเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าต้องทรงเสียเวลาเพื่อต้องบำเพ็ญบุญบาปนีต่างๆเป็นกลับเป็นกันด้วยกันกว่าที่จะได้มาถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงปรารถนาก็คือความ สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้น่บารมีที่พระพุทธเจ้าต้องบาเพ็ญ น, นี้ก็มีอยู่สิบประการด้วยกันคือ1งทานบารมีคือการให้สองศีลบารมีคือการละเว้นจากการทำบาดา 3. เนคขัมมะบารมีคือการออกจากออกจากการมคือ การออกจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นพวกที่มาบวชกันทั้งหลายไม่ว่าจะบวชถือศีล8ถือถิ่นสหรือถือศีลสีิบข้อก็ถือว่าเป็นการเจริญในขัมมะบาณีคือจะไม่หาความสุขจากร่างฐานร่างกายทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น เช่นไม่ร่วมหลับนอนกับผู้ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารรับประทานอาหารแบบรับประทานยารับประทานพอกับความต้องการของร่างกายก็พอแล้วไม่จําเป็นจะต้องรับประทานตามความอยากถารับประทานตามความอยากแล้ววันหนึ่งก็รับประทานหลายรอบด้วยกันห้าหกรอบกว่าจะ กาจะนอนได้แต่ถ้ารับประทานตามความต้องการของร่างกายก็รับประทานวันละครั้งเดียวก็พอหรือถ้าจะสองครั้งก็ไม่ให้ไม่ให้รับประทานหลังจากที่ง่วนไปแล้วเพราะไม่จําเป็นจะเป็นอุปสตรรคต่อการปฏิบัติชำระใจให้สะอ า, าโดโอยสุดเพื่อ จะได้หลุดพ้นจากการเวีว่ายตาเกิดเพราะถ้ารับประทานหลายมือก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติคอยจะมาพะวะควรถึงเรื่องการรับประทานอาหารพอรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเกิดความง่วงเหงาเหานอนเกิดความเกียดคร้านอยากจะหลบนอนก็จะไม่สามารถนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศ์ฟังธรรม ซึ่งเป็นการชำระใจให้สะอาดได้ดังนั้นผู้ที่ปรารถนาที่จะปฏิบัติชำระใจให้สะอาดนั้นจึงจำเป็นจะต้องเจริญเนกขัมมะบามีคืออย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปรไม่เชนั้นก็บวชเป็นสา ม, มเณรก็ถือศีลสิบถ้าบวชเป็นพระก็ถือศีลร้อ่ิจข้อถึงจะสามารถมีเวลามา ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้นี่คือบรารมีที่พระเจ้าทรงบำเพ็ญมาในแต่ละภพแต่ละชาติต่อจากนั้นก็ทรงบำเพ็ญเมตตาบารามีมีความ ม, มีจิตที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีไม่มีไม่มีศัตรูไม่เป็นศัตรูกับใครไม่ว่าใครจะทาลายทำร้าย ก็จะให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมแล้วก็จะเริญนปัญญาบารมีพยายามศึกษาหาความรู้ต่างๆที่จะมาปลดเปื้องความหลงที่หลอกให้ใจต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะเริญนอุเบกขาบามีคือทำใจให้เป็นกลางไม่มีอารมณ์รักหรือชังโลกหรือโกรธ ให้ดูให้มีอารมณ์ที่เฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีปฏิจิยาไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ชอบไม่ชังเพราะถ้าเกิดความชอบขึ้นมาเกิดความชังขึ้นมาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาชอบอะไรก็อยากได้พอไม่ได้ก็เสียใจ ทังอะไรก็อยากจะหนีหรืออยากจะให้หายไปพอหนีไม่ได้หรือไม่หายไปก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือบรารมีที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญมาในแต่ละพบแต่ละชาติแล้วก็ต้องเจริญอธิษฐานบรารมีแปลว่าความตั้งใจ อธิษฐานนี้ทางภาษาของพระไม่ได้หมายความว่าให้ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะการขอนี้ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นเหตุที่จะทําให้ได้สิ่งที่ปรารถนา mm hmm. เช่นขอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายแต่ให้ขอต่อหน้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่สําเร็จประโยชน์ได้เพราะว่ามันขัดกับความจริง ที่ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เนื่องจากใจของสัตว์โลกมีความหลงก็เลยมีความอยากไม่เห็นความจริงไม่รู้ความจริงว่าตัวเองเกิดมาแล้วต้องมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ดี อ, อกดีใจเวลาเสื่อมก็เสีย อ, อกเสียใจ ต้องวิ่งหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอาธิษฐานขอให้ช่วยเหลือเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยรักษาให้หายถ้าชีวิตตกอับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือให้พ้นจากการตกอับให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองถ้าประสบอุบัติเหตุก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ ช่วยปกป้อง ค, คุ้มครองอย่าให้ได้เจอกับอุบัติเหตุต่างๆเลยถ้าการข อ, อนี้เป็นเป็นเหตุที่ทำให้สิ่งต่างๆได้ดังใจโลกลอานี้ก็จะมีแต่ความสุขกันจะไม่มีคนแก่ไม่มีคนเจ็บจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนตกอับจะไม่มีอุบัติเหตุบุนท้องถนนแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ความจริงมันเป็นเรื่องว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาขับรถบนท้องถนนก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องประสบกับอุบัติเหตุขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายด้านด้วยกันปัจจัยหนึ่งก็คือผู้ขับรถเองว่าขับรถด้วยความมีสติหรือไม่ขับรถด้วยความประมาทหรือไม่ขับรถ เร็วเกินไปหรือไม่ส่วนเหตุปัจจัยอื่นก็ขึ้นอยู่กับรถตัวรถยนต์เองว่ารถยนต์นั้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่แล้วก็มีปัจจัยเกี่ยวกับคนอื่นคนขับคนอื่นว่าเขาขับด้วยความประมาทหรือไม่แล้วก็มีปัจจัยทางด้านอากาศขนฟ้าตกอย่างนี้ก็ถนนลื่นถ้าขับเร็วก็จะมีโอกาสที่ประสบกับอุบัติเหตุได้ เรื่องรถยนต์นี้เรื่องสมรรถภาพของรถยนต์นี้ก็ต้องคอยดูแลรักษาให้อยู่ให้อยู่ในสภาพที่ทํางานได้อย่างปลอดภัยอย่างเวลาซื้อรถออกมาใหม่นี้ความจริงไม่ต้องไปเจอให้เสียเวลาเพราะว่ารถเขาผลิตนาดีแล้วออกมาใหม่เอี่ยมไม่มีข้อบกพร่องอย่างไร ส, สิ่งที่ต้องเจก็คือสิ่งที่ต้องเจมก็คือคนขับรถต่างหากต้องเจิมคนขับรถด้วยธรรมะครรสอนสอนให้สอนให้ขับอย่างไม่ประมาทเช่นให้ขับด้วยการมีสติประครับประคองถ้าดื่มสุรายาเมาแล้วก็อย่าไปขับเพราะถ้าขับแล้วต่อให้เจิมอย่างดีต่อให้เป็นหลวงพ่อวิเศษขนาดไหนก็ตามรับรองได้ว่าถ้าเมาแล้วขับ ก็จะต้องเจออุบัติเหตุอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของอธิษฐานที่ชาวพุทธเราส่วนใหญ่จะไม่เข้าใจกันจะคิดว่าเวลากราบพระจุดธูปเทียนสามดอกก็จะขออะไรก็ได้อย่างพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกวอตเตอรี่ก็จะขอให้ถูกวอตเตอรีร่กันขอไปจนวันตายก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง คนที่ถูกก็คิดว่าได้พรได้สมความสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ตอบสนองการต้องการของตนคนที่ไม่ได้ก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นท พ, พุทธรูปนี้เองยังไม่สามารถรักษาตัวเองได้เลยเวลาน้ําท่วมก็ต้องโดนน้ําท่วมเวลามีคนมาขโมยตัดเสียรไปขาย ก็ไม่สามารถป้องกันตนเองได้และจะไปป้องกันคนอื่นได้อย่างไรนี่คือหลักของความจริงที่คนที่เข้าหาวัดเข้าหาศาสนามักจะมองข้ามกันมองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้วิเศษสามารถที่จะดนบันดาลอะไรต่างๆให้ได้เพราะว่าไม่เคยศึกษาคำสอนของผู้ศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธเจ้า ที่สงสอรอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่ขึ้นของตนอยากจะได้อะไรต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองเช่นพระพุทธเจ้าอยากจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบารมีสิบประการขึ้นมาถึงจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้ผู้อื่นก็เช่นเดียวกันถ้าอยากจะบรรลุก็ต้องสร้างเหตุเหตุที่จะทาให้บรรลุ ก็คือการทำบุญรากบาตแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทนี่คือเหตุที่จะทาให้ได้ในสิ่งที่ตนเองปรารถนาไม่ใช่การอธิษฐานการอธิษฐานนี้เป็นการตั้งหลักตั้งเป้าเช่นวันนี้ก่อนจะมาวัดได้ก็ต้องตั้งเป้าไว้ก่อนแล้วว่าวันนี้จะมาวัดกัน นี่เรียกว่าอธิษฐานคือความตั้งใจเพราะว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาวัดพอตื่นขึ้นมาก็อาจจะไม่อยากจะลุกก็นอนต่อเพราะว่าไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปไหนนั่นเองเมื่อไม่รู้ว่าจะไปไหนก็ก็นอนต่อดีกว่านอนให้สบายแต่อพอได้ตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะต้องมาวัดในวันนี้ก็เลยต้อง รีบเติรนขึ้นมาพอเติรนแล้วก็รีบรุกขึ้นมาเตรียมตัวแล้วก็ออกเดินทางมาที่วัดนี่คื อ, อความสำคัญของการอธิษฐานคือต้องอธิษฐานแต่อย่าไปอธิษฐานที่ผลคือขอให้มาได้วัดขอให้มาวัดแต่ไม่มาไม่เดินทางออกเดินทางมาวัดขอไปจนันตายก็ไม่ได้ เช่นอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องตั้งใจอธิษฐานใจว่าต่อไปนี้จะทําบุญละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์คือให้ตั้งอธิษฐานไว้ที่เหตุคือการกระทาอย่าไปตั้งที่ผลเช่นจุดทูปแล้วก็กราบพระแล้วก็ขอให้ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ขอไปจนวันตายก็จะไม่ได้หลุดพ้นเพราะการหลุดพ้นไม่ได้อยู่ที่การขอแต่อยู่แค่ที่การตั้งใจที่จะปฏิบัติเหตุที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นก็คือต้องทำบุญละบาปแล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือเรื่องของอธิฐานบามีแล้วก็ จากนั้นก็ต้องมีสัจจะบารมีตามมาถ้าตั้งใจแล้วไม่มีความซื่อสัตย์กับตนเองคือชอบหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอถึงเวลาก็ไม่ทำเช่นหลอกตัวเองว่าจะไม่ดื่มสุรายามลแต่พอถึงเวลาอยากจะดื่มขึ้นมาก็ลืมไปแล้วว่าได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะไม่ดื่มสุรา ก็ไปหยิบสุรามาดื่มอย่างนี้อย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจไม่มีความซื่อสัตย์ต่อคำพูดของตนความตั้งใจของตนพูดไปเฉยๆตั้งใจไปเฉยๆอย่างนั้นถ้าเป็นเช่นนั้นการตั้งใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับตั้งใจจะมาวัดในวันนี้พอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเมื่อยปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ ก็เลยเปลี่ยนใจไม่มาวัดอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะถ้ามีสัจจะแล้วพอตื่นขึ้นมาจะปวดศรีรษะจะปวดเมื่อยตรงนั้นตรงนี้ถ้ายังรู้พอลุกขึ้นมาได้ยังพอที่จะเดินทางมาได้ก็จะพยายามตะเกียกตะกายมาให้ได้นี่เรียกว่ามีสัจจะมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิริยะความภาคเพียรวิริยะบารามี ก็คือต้องตะเกียบตะกายมาให้ได้นั่นเองฝนตกแดดออกน้ำท่วมถ้ายังมาได้ก็พยายามจะมาให้ได้อย่างนี้เรียกว่ามีวิริยะบา ร, รมีแล้วก็ต้องมีขันติบา ร, รมีคือความอดทนถึงแม้ว่าจะยากลมบากอย่างไรตะเกียบตะกายมาอย่างเหนื่อยยากอย่างไรก็จะอดทนมาให้ได้ไม่ใช่พยายามตะเกียบตะกายมาแล้ว พอรู้สึกลำบากมากก็เลยยอมแพ้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะไม่สามารถทําอะไรให้สําเร็จดังที่ปรารถนาได้พระพุทธเจ้าของพวกเรานี้ทรงมีอธิษฐานบารมีความตั้งใจที่จะหลุดพ้นมีสัจจะความแน่วแน่ความซื่อซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจแล้วมีความภาคเพียรแล้วก็มีความอดทนขันติบารมี จึงทำให้พระองค์สามารถตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เช่นในขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพลก่ อ, อนที่จะทรงตัดสรู้ก็ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสัรู้ถ้ายังไม่ตัดสรู้ยังไม่หยุดยังไม่ดับความทุกข์ทั้งหลายยังไม่ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งที่นี้ไปเป็นอังขาดจะเพียรภาวนาชำระกิเลสตัณหาที่เป็นตัวที่จะคอยฉุดลากให้ไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นตัวที่คอยสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ตลอดเวลาถ้าตราบใดยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจยังมีตัณหากามาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาอยู่ภายในใจ จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้ไปจะยอมทนยอมอดทนถึงแม้ว่าเลือดจะเหือดแห้งไปจากร่างกายถึงแม้ว่าร่างกายนี้จะตายไปจะเจ็บปวดอย่างไรก็จะขอทนสู้กับความเจ็บปวดถ้ายังไม่ได้ชนะไม่ได้ทำลายกิเลสตัณหาที่คอยฉุดลกให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็จะไม่ยอมลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดโดยความแน่วแน่ของบา ร, รมีทั้ง4ประการนี้คือทานคืออธิษฐานบาลมีสั จ, จบาลมีวิริยาบาลามีและอุเบทขาและขันติบา ร, รมีจึงทําให้พระองค์สามารถเจริญปัญญาบาลมีและอเวทขาบา ร, รมีได้จนในที่สุดก็สามารถทําลาย ติเลตันหาได้ไปหมดจากใจได้นี่คือเรื่องของบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าต้องทรงบำเพ็ญมาอย่างเป็นเวลายาวนานจนกว่าถึงจะได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าได้ส่วนพวกสาวกนั้นไม่จำเป็นจะต้องบำเพ็ญบา ร, รมีขนาดนั้นเพียงแต่ขอให้มีบุญมีวาสนามีโชคที่ได้มาเกิดใน สมัยที่มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้เท่านั้นก็จะสามารถปฏิบัติได้ดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะมีคนสอนมีคนบอกทางนั่นเองสำหรับพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคนสอนไม่มีบอกไม่มีคนบอกทางไปศึกษากับพระอาจารย์รูปไหนก็ไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะหยุด การเวียนว่ายตายเกิดได้ที่จะดับความทุกข์ได้อย่างถาวรดับได้ก็เฉพาะเวลาเข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิเท่านั้นแต่พอออกจากฌานออกสมาธิออกจากสมาธิออกมาจิตก็มีความทุกข์ตามมาอีกจึงต้องหาทางด้วยพระองค์เองศึกษาปฏิบัติถึงกับต้องอดพระกย า, กาะ ย, ะกะยาหารถึง49วันด้วยกัน แต่ก็เป็นการหลงทางเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายกิเลสตัณหาอยู่ในใจจึงพระ อ, องค์จึงต้องเสาะจึงต้องย้อนกลับมาเสวยพระกาย า, ารเพื่อให้มีกำลังที่จะได้นั่งภาวนาจเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาคือจเจริญอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีเพราะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ในการที่จะทำลายกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดไปจากจิตจากใจได้จนในที่สุดพระ อ, องค์ก็ทรงได้พบทางที่จะทำให้พระ อ, องค์ได้ดุคพ้นหลังจากพบแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเรานี้เลยสบายไม่ต้องมาอดข้าวถึง49วันเพียงแต่อดข้าวเย็นเท่านั้น หรือรับประทานอาหารเพียงมือเดียวก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องทรมารร่างกายมากจนเกินไปเพราะกิเลสตัณหาไม่ได้ตายไปจากการทรมานร่างกายกิเลสตัณหาจะตายก็ต้องเกิดจากการทรมาณกิเลสตัณหาด้วยการฝืนความอยากทุกชนิดเช่นเวลานั่งแล้วอยากจะลุกก็อยากไปลุกให้ลุกไปให้ลุก จะลุกก็ต้องลุกตอนที่มันไม่อยากจะลุกแล้วคือความอยากลุกนี้สงบตัวลงไปแล้วใจเย็นใจสงบแล้วเวลาอยากจะลุกนี้ใจจะดิ้นใจจะวุ่นวายสับสนมากตอนนั้นต้องใช้ปัญญาบรารมีและอุเบกขาบรารมีต่อสู้กับความอยากให้ได้ถ้าปัญญาบรารมีและอุเบกขาบรารมีชนะ ปัญหาความอยากก็จะตายไปสงบตัวลงไปพอตายไปปั๊บจิตที่กําลังฟุ้งซ่านกําลังเติมเครียด อ, อยู่ก็จะสงบตัวลงมา ท, าทันทีนี่แสดงว่าความอยากจะลุกนี้ตายไปแล้วหลังจากนั้นถ้าอยากจะลุกก็ลุกได้ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่คือการต่อสู้การปฏิบัติ ที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติมาเมื่อทรงได้ปฏิบัติสำเร็จแล้วก็นำเอามาสั่งสอนให้ผู้ที่ไม่รู้ได้ปฏิบัติกันผู้ที่ไม่รู้นี้เพียงแต่ให้มีศรัทธาความเชื่อแล้วปฏิบัติอย่างเต็มที่เท่านั้นก็จะสามารถบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงหลุดพ้นได้โดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลา บำเพนบารณีทั้ง10ประการนี้เป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันสามารถหลุดพ้นได้ภายในชาตินี้นี่คือความวิเศษของพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่พวกเราทั้งหลายได้มีโชคมีวาสนาได้มาพบก็อย่าทำตัวให้เป็นเหมือนไก่ได้ปล่อยเพราะว่าไก่นี้จะไม่สนใจปล่อยเพราะไก่ต้องการ ไสเดือนหรือตัวหนอนเท่านั้นเองเวลาขุดคุ้ยไปหาถ้าเจอพลอยก็จะเกลี่ยทิ้งเกลี่ยทิ้งเพราะไม่เห็นคุณค่าของพลอยออพวกเราก็เหมือนกันถ้าเป็นเหมือนไก่ได้พลอยก็คือพอพบกับพระพุทธศาสนาพบกับพระธรรมคำสอนก็ไม่สนใจที่จะปฏิบัติสนใจแต่จะหาหาเงินหาทองหาความสุขทางตาหูจมูกมือกาย อย่างนี้เรียกว่าสนใจแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนแต่ไม่สนใจในเพชรพลอยถ้าสนใจเพชรพลอยก็ต้องก็ต้องชอบทำบุญชอบละบาปชอบปฏิบัติธรรมชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถึงจะไม่ใช่เป็นไก่ที่ได้พลอยแต่เป็นคนฉลาดเป็นคนที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายมันพยายามศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากแล้วก็พยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะเวลาของพวกเรานั้นไม่แน่นอนไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่โอกาสที่จะได้ทำบุญละบาจํารจัยให้สะอ า, าดบริสุทธินี้ไม่รู้ว่าจะหมดไปเมื่อไหร่ อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีสำหรับพวกเราก็ได้แต่ถ้าเราหมั่นทำการเสียตั้งแต่แ บ, บัดนี้ไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้สำเร็จผลที่เราปรารถนากันเหมือนกับพระอริยสงสาวุกทั้งหลายที่ได้สำเร็จกันเพราะท่านเหล่านั้นมีศรัทธาความเชื่อและมีความไม่ประมาทคือพยายาม ปฏิบัติอย่างเต็มที่จนได้บรรลุผลที่ต้องการผลเหล่านี้ก็จะเป็นของพวกเราเช่นเดียวกันถ้าพวกเราไม่ประมาทไม่ผัดวันประกันพรุ่งรีบเร่งปฏิบัติเสียตั้งแต่วันนี้ไปไม่นานก็จะได้รับผลอันเลิศอันประเสริฐนี้อย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา